ขออนุโมทนากับท่านผู้ฟังที่สนใจ เ, นเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเรื่องการภาวนาเรื่องสติอันที่จริงเนี่ยเรื่องชีวิตเรื่องการภาวนาทั้งหลายเนี่ยก็เกี่ยวกับตัวเราทั้งนั้นถ้าจะรวมก็คือเกี่ยวกับธรรมะเดี๋ยวขอกล่าวเกเรื่องธรรมะสักนิดนึงเพราะว่า ชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับธรรมะเท่านั้นแต่ว่าเราไม่มีธรรมะเนี่ยนับตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ปุญ่าตายายมาถ้าท่านไม่มีธรรมะเนี่ยก็คงจะไม่มีเราเกิดขึ้นมาเราอาจจะต้องเสียชีวิตตั้งแต่ในท้องก็ได้เพราะฉะนั้นขาดอื่นขาดได้แต่ขาดธรรมะเนี่ยชีวิตจะมีปัญหานี้่สาคัญว่า ผมเองก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้ประโยชน์จากธรรมะได้ประโยชน์มากจากธรรมะเพราะว่าแต่ก่อนก็ไม่เคยสนใจไม่เคยสนใจเรื่องธรรมะจนกระทั่งชีวิตมีปัญหานะต้องประสบบัติเหตุจนกระทั่งร่างกายต้องพิการร่างกายเริ่มมีปัญหาก่อนต่อมาเนี่ย จิตใจก็มีปัญหาตามไปด้วยเพราะคนเราเนี่ยมีกายกับจิตถ้ากายมีปัญหาแล้วจิตใจก็มักจะร่วมผสมโรงไปด้วยอย่างผมมีสภาพอย่างเงี้ยพิการกายแต่ใจก็รอยพิการไปด้วยเพราะขาดธรรมะนี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมได้ประสบ ม, มาแล้วจนกระทั่ง เราไม่สามารถจะหาทางออกของชีวิตหาทางออกไม่ได้เพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องธรรมะมาก่อนแต่ก็โชคดีที่มีกัลยาณมิตรมีคุณพ่อคุณแม่ท่านฝักไปในเรื่องธรรมะท่านก็นำมาสิ่งนี้มาให้ผมนำมาปฏิบัติเพราะว่าท่านเห็นแล้วว่าสภาพที่อย่างนี้แล้วเนี่ย แม้ว่าจะมีเงินร้อยล้านพันล้านก็จะหาความสุขไม่ได้เงินเป็นเพียงที่พึ่งภายนอกแต่ว่าภายในจิตใจนั้นยังมีปัญหาท่านจึงให้ผมมีที่พึ่งภายในโดยการหาธรรมะมาให้เป็นมรดกของคุณพ่อคุณแม่และก็เป็นมรดกที่ยั่งยืนเพื่อใหได้อาศัยการปฏิบัติธรรมอยู่นะ ที่ท่านนำมาให้ผมปฏิบัติเนี่ยใช้ชีวิตมาอยู่กับการปฏิบัติธรรม เ, เนี่ยผมเองนี่เคลื่อนไหวได้เฉพาะส่วนแขนแล้วก็ส่วนศีรษะเน่ส่วนล่างนี่ก็เคลื่อนไหวเองไม่ได้ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้เชื่อตัวเองไม่ได้เลยไปไหนก็ต้องมีผู้ช่วยอย่างวันนี้ญาติธรรมมาเีอยมาช่วยให้ผมได้ทำประโยชน์ก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มาตั้งแต่อายุ24 ข้งแรกคิดว่าจะไม่อายุยืนยาวขนาดนี้ก็เนื่องจากว่ามันยังไม่หมดกรรมทางด้านร่างกายก็ต้องใช้กรรมเข้าไปก่อนซึ <c> ่ง <oughs> ก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็อยู่ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยทยังไงปฏิบททัติธรรมสำหรับคนพิการตนนัวแรกไม่เข้าใจเลยเรื่องการภาวนาเรื่องการปฏิบททัติธรรมเขาปฏิบัติไปทําไมแต่ใจนั้นอยากคนทุกข์เนี่ยมันมีประเด็นจุดใหญ่คือทุกข์ที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจ ตอนแรกคิดว่าทุกทางด้านร่างกายเนี่ยหนักหนาสหัสสากันแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมจะรู้ว่าทุกทางกาย เ, ยเป็นเรื่องธรรมชาติมองเห็นความทุกทางกายเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ทุกที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นที่จิตใจสังเกตไหมเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีเราทนได้แต่ใครว่าเรานิดเดียวงทีเราทนไม่ได้ต่างกันเลยคือทุกใจเนี่ยรุนแรงมาก การปฏิบัติธรรมคือการฝึกจิตฝึกใจโดยตรงแต่ว่ามีผลกระทบทางด้านร่างกายด้วยทำอย่างไรหลวงพ่อคำเขียนท่านบอกว่าเป็นคนพิการเนี่ยปฏิบัติธรรมได้นะสามารถทำให้ใจใน่พ้นทุกข์ได้ให้เจริญสติท่านบอกให้ฝึกเจริญสติที่ในภาษาธรรมเขาเรียกว่าสติปัฏฐานนะครัก็ได้ยินนะฮะสติปัฏฐานคือมีสติ รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมคือมีสติรู้กายรู้ใจคือรู้เรื่องตัวเรานั่นเองเรื่องที่พูดวันนี้นี่จะไม่พูนเรื่องตัวเราเลยฟังแล้วก็มาดูตัวเราซิมีอย่างนี้ไหมคิดว่าทุกท่านต้องมีผมเองก็มีท่านก็ต้องมีอย่างมีกายมีจิตเนี่ยทุกท่านมีผมก็มีท่านบอกว่าให้รู้สึกตัวความรู้สึกตัวนั้นมาจากจิต เริ่มการฝึกจิตละ่ะให้รู้สึกตัวให้นอนพลิกมือเล่นๆ เ, เนี่ยนอนพลิกมือเล่นๆ เ, เนี่ยพลิกมือหงายให้มีสติรู้พลิกมือคว่ำก็ให้รู้สึกพลิกมือหงายก็ให้รู้สึกพลิกมือคว่ำให้มีสติเขา้าไปรู้อันนี้คือการเจริญภาวนาการเจริญสติมีสติรู้กายนี่เป็นส่วนยา ก็นอนทําอยู่อย่างเงี้ยพ่อบอกว่าทําเล่นๆ <c oughs> อย่าไปทําจริงจังโอ้ทาเล่นๆทําเล่นก็ดีไปอย่างนะโดยมันดูหนังอ่ะดูหนังเวลาเราดูหนังเวลามันบู๊มันสนุกบางทีมันเครียดแต่เราพักโฆษณาแป๊บในโอโ๊ใจเรามันคลายการปฏิบัติธรรมเราทําเล่นๆและจิตใจมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เฉพรพาะแค่นี้นะ วันวันนึงก็ น, นอนทำมือขวาบ้างทำมือซ้ายบ้างไอการเป็นัตบแบแบนี้โดยที่ไม่คิดว่าเราจะเป็นการฝึกร่างกายแล้วฝึกจิตใจให้มันมีสติให้มีความสงบให้มีความสุขฝึกจิตแล้วมันได้กายด้วยเพราะอะไรเพราะมันมีการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวคล้ายๆกับเป็นการทำกายภาพไปในตัวซึ่งเวลาผมอยู่โรงพยาบาลนี่หมอให้ผมทำกายภาพผมมักจะ ทำเวลาหมอเขาเห็นแต่เวลาพยาบาเลเผอผมก็ไม่ทํานะวไม่รู้จะทไปทําไ ม, ไมดึงลอกดึงไปดึงมาเนี่ให้แขนมันแข็งแรงแต่มันก็เดินไม่ได้ทําไปคิดไปไอ้ทำอย่างนี้แข็งแรงที่มือแล้วขามัมนเดินไม่ได้เวลาพยาบาลเผลอผมก็ไม่ทําแล้วท่านมองผมก็ขยับต้นนหน่อยแต่พอเรามาเจริญสติเนี่ยเราต้องการจะฝึกจิตแต่ว่ามันมีการเคลื่อนไหวาทางร่างกายด้วยพอทําไป น, น, นานๆเนี่ย จิตมันเริ่มสงบมันเริ่มมีความสุขเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตเราเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้ฝึกไม่ได้ไปฏิบัติเนี่ยมันก็ไปกับความคิด เ, เสียดายอดีตกังวลถึงอนาคตปัจจุบันก็มีความกังวลแล้วมันจะมีกําลังใจอะไรที่จะทำแต่พอมาเจรอสติเนี่ยเอาสติผูกไว้กับการเคลื่อนไหวกับการทํางานของกาย มันก็ลืมที่จะคิดถึงอดีตอนาคตใช่ไหมใจมันเริ่มสบายแนละ้วพอใจสบายมันก็ขยันขยันทําเมื่อก่อนมือขวาข้างเดียวเนี่เคลื่อนไหวได้ถนัดมือซ้ายเนี่เคลื่อนไหวไม่ค่อยได้แต่ฝึกไปฝึกมาทําให้แขนซ้ายมันแข็งแรงสุขภาพจิตก็ดีสุขภาพกายก็ดีผมไม่มีหน้าที่อะไรไม่ได้ทํางานอะไรฝึกทํางานทางจิตฝึกจิตเนี่ยทําไปสักระยะหนึ่งแต่ว่าแต่ละวันนี่ไม่ใช่ว่านอนทํำอย่างเดียวนะ เราเข้าไปยานวิทยาหากิจการไปกับตัวเราเองฝึกสติไปกับอิริยาบถอื่นๆซึ่งสามารถที่จะค้นหาได้ในความพิการของเราตรงไหนที่มันเคลื่อนไหวได้ก็จับมาเคลื่อนไหวอย่างส่วนศีรษะนี่ก็พิกไปพิกมาให้มันรู้สึกซ้ายมิดขวาให้มีสติอยู่กับตัวเองหาเรื่องที่จะรู้สึกตัวนอนกับพิบตายักคิ้วเล่นอะไรสรพัดอยา่าง ไอ้ตรงนี้มันทํายากๆอ่ะมันทําให้เราเจตนาผูกจิตผูกใจไว้กับส่วนนั้นมันมีประโยชน์ตรงนี้แหละสามารถใช้กับชีวิตประจําวันได้บางทีน้องก็ดิ้ขูเล่นแต่ก่อนทําไม่ได้พอเราเจตนาทําเข้าไปมันก็มีสติแล้วมันทําให้เราไม่คิดฟุ้งซ่านตอนนี้ก็หาอีลาบทอื่นเล่นบ้างวันนี้จะทําอะไรมันว่างงานว่างงานแต่ใจมันไม่ว่างใจยังคิดอยู่ก็หาเรื่องให้ใจมันมีงานทํา เอาผ้ห่มมาคลี่แล้วก็พับผ้าห่มอย่างรู้สึกตัวไม่ได้หิวน้ำหรอเห็นกระติกน้ำว่างก็ยกน้ำมันดื่มคือหากิจกรรมให้กับตัวเองทั้งวันดื่มน้ำทานข้าวตอนแรกไม่รู้อ่านี้คือการปฏิบัติเพียงแต่เราอยากจะพ้นทุกข์ทางด้านจิตใจคือหาเรื่องให้มีกิจกรรมพอมือมันว่างแล้วใจมันจะวุ่นวายก็หาเรื่องให้มันว่างทำไปเรื่อยๆเนี่ยมั น, มนเกิดผล อย่างน้อยใจเราอยู่กับปัจจุบันใจเราเนี่ยมันมีความทุกข์เพราะเราคิดไปในอดีตกังวลถึงอนาคตแต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มเห็นความสุขดูแลตัวเองได้แต่ก่อนนี่อยากรู้จักกับคุณหมออยากรู้จักกับคนที่มีความรู้แต่พอปฏิบัติทำแล้วเนี่ยไม่รู้จักกับหมอก็ได้เพราะเราสามารถรู้จักตัวเราเองมากขึ้นรู้กายรู้ใจ ผมยงนี้เวลาปัสสาวะอุจาระเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยแต่พอฝึกสติแล้วเนี่ยมันรู้ได้เพราะตามธรรมชาติคนที่พิการอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องใส่สายยางระยงระยางมากมายแต่เราไม่ต้องใช้มันเพราะเวลาร่างกายมันผิดปกติเนี่ยมันจะมีสัญญาณเตือนภัยบอกให้เรารู้ว่ามันผิดปกติซึ่งทุกคนมีแล้วแต่เราไม่เคยใส่ใจเลยแต่พอเรา ม, มีสติดูตัวเราเนี่ย มันเริ่มรู้จักตัวเราอย่างผมเนี่ยเวลาปัสสาวะเนี่ยไม่รู้สึกตัวแต่มันมีอาการบอกว่าหัวใจจะเต้นเร็วแล้วนะหัวใจเต้นเร็วเนี่ยอาการปวดปัสสาวะแล้วก็ใบหน้านจะร่อนเ่าดูตามเส้นโลหิตเส้นเลือดใหญ่เนี่ยมันจะหดตัวนี่ปัสสาวะแล้วหยิบคอมฟอร์ตมาช่วยเหลือตัวเองท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมเวลาปัสสาวะเนี่ยมันมีอาการแบบไหนบ้างร่างกาย หรือตนางตาทำให้เสร็จอย่างเดียวเจนนี้ไปข้างหน้าลองสังเกตดูสิหัวใจเต้นเร็วไหมใบหน้ามันร้อนไหมดูตามเส้นเลือดใหญ่นี่มันผดตัวไหมลองดูสิอันนี้เป็นการสำรวจดูตัวเราเวลาปวดอุจจาร ะ, ะาก็มีอีกอาการหนึ่งเนี่ยมีอาการขนลุกชูชันเรียกอยื่นมาช่วยได้เวลามีอาการแบบนี้เวลามดกัดแมงปองตอย มันก็มีอาการอีกแบบหนึ่งของร่างกายที่มันบอกเรามันพัฒนาถึงขนาดนั้นนะมันช่วยตัวเราแล้วเดี๋ยวนี้นี่มาสเกตอีกอย่างหนึ่งเพราะเริ่มมีอายุแต่ก่อนก็มี <c oughs> เดี๋ยวนี้มีมากกว่าเก่าเวลาเรารู้ว่าน้ำตาลในร่างกายเรามากเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลย ว, ว่าร่างกายมันไม่ต้องการแล้วแต่ก่อนชอบทานขนมหวานทงหยบทงยอดเป็นของโปรด แต่ต่อมาเนี่ยพอเราทานไมโลเข้าไปอึกเดียวท่านรู้สึกตัวว่านี่ร่างกายมันไม่รับแล้วมันจะมีอาการมึนศรีรษะซึ่งเราก็จะดื่มให้หมดแก้วนี้ไม่ได้แล้วอันตรายพอดื่มเสร็จรู้ว่าดื่มไปคํานึ่งนะรู้ว่าร่างกายไม่รับแล้วก็ทบทวนว่าวันนี้เราทานของหวานอะไรมาบ้างมันย้อนกลับเราโอ้โหตอนเช้าพายบุเบลลี่ <laughs> แยมโลยงนั้นโอโหของหวานนำหน้าไปก่อนแล้วตอนหลังเลยวางของหวานใช่ร่างกายมันมีผลกระทบให้เรารู้เลยว่ามันรับอีกไม่ได้แล้วทานผัดผักคำเดียวก็รู้ว่าเนี่ยมันมีมันในร่างกายเยอะแล้วต้องหยุดทันทีเลยเขาบอกอาการหมาเลยนี่คือเรื่องร่างกายส่วนจิตใจนั้นมันยิ่งเห็นชัดเจนขึ้น ทุกครั้งที่มีการกระทบอารมณ์ปั๊บจิตมันจะมีอาการอะไออกมาเนี่ยเราจะรู้ทันทีแล้วว่าอ๋อนี่มันจะโกรธแล้วนะมันอยากได้แล้วนะมันบอกอาการทางจิตใครรู้ได้ก็เพราะสติที่เราภาวนาเ น, นี่เองจนสามารถควบคุมจิตตัวเองได้เลิกกังวลในเรื่องอดีตเลิกกังวลเรื่องอนาคตเลิกกังวลเรื่องปัจจุบันคนเราเนี่ยถ้าไม่กังวลอดีตไม่กังวลอนาคต ไม่กังวลปัจจุบันแล้วก็มันก็กินอิ่มนอนหลับตอนนี้เราอยู่โลกเดียวรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แก้ไม่ได้คือโรค ก, กินอิ่มนอนหลับเดมันเป็นอยู่เรื่อยถึงเวลากินก็อิ่มและอร่อยถึงเวลานอ น, น, อ น, น, อนก็หลับ <c oughs> ก็เพราะการพอวนาแบบเนี้มันสามารถรู้จักตัวเองช่วยเหลือตัวเองไอ้ที่ช่วยไม่ได้ก็ให้เขาช่วยแต่เขาไม่ช่วยเราเราก็ไม่ว่าอะไรม <c oughs> มันช่วยใจเราได้เนี่ยการปฏิบัติเนี่ยเพราะนั้นมันจึงเกิดการเรียนรู้กับตัวเองว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีกายกับใจกายเนี่ยเราก็ต้องบริหารไปตามหน้าที่ให้ปัจจัยสีข้าวผ้ายาบ้านสียายนี้ขาดไม่ได้การออกกำลังกายการพักผ่อนอยู่ในอากาศที่ดีอันนี้คือส่วนร่างกายแล้วก็ทําไปบางคนเนี่ยร่างกายดี แต่ใจยังไม่ดีเราอยคิดว่าเมื่อกายดีแล้วใจจะดีด้วยเนี่ยมันไม่แน่นอนเสมอไปดูจากตัวเราก็ได้ทำไมเรามีพร้อมทุกอย่างเลยในเรื่องวัตถุดูแล้ว น, น่าจะมีความสุขแต่ว่าใจยังไม่มีความสุขนะบกพ้องทางจิตแหละบางคนที่เก่ง เป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนเด่นแต่ดูเรื่องแล้วใจยังเป็นทุกข์อยู่ทุกข์เพราะความดีของตัวเองอน่ยทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นในความดีเขาเรียกติดดีเนี่ยคนที่ติดดีก็เป็นทุกข์นะเราทําดีแล้วทําไมเขาไม่ชมเชยเราใจเป็นทุกขนะ์ละเราทําดีแล้วทําไมจึงไม่ได้ลาบไม่ได้ยศไม่ได้สันเสริญเพราะว่าติดดียังยึดมั่นถือมั่นอยู่ คนเรานั้นเวลามีความทุกข์มักจ ะ, สะแสวงหาความดุดดับทุกโดยการหนีจากทุกข์ไปเพลิดเพลินกับสิ่งอื่นซะดูห น, นังฟังเพลงทำอภัยามุขเห็นไหมกรบเกลื่อนทุกข์ในจิตใจแล้วปลดไม่มิดาราพอเราต้องมาอยู่กับตัวเองเห็นไหมบางทีเราต้องอยู่กับตัวเองตรงนี้แหละมันจะเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเป็นความตกกังวลนั่นเป็นทุกข์แล้ว ในขณะที่เรากําลังมีความสุขอยู่สุขเกี่ยวกับอะไรก็ตามเนี่ยสังเกตดูเถอะในความสุขนั้นมันจะมีความกังวลอยู่ <c oughs> เยอย่าบอกว่ากลัวความสุขมันจะหายไปอยากจะควบคุมความสุขนี้ให้สุขนานๆ <c oughs> อยากจะหยุดโลกอะไรพวกนี้นะไอ้ความอยากหยุดโลกน่ะมันทุกข์แรงไม่ถึงว่ากําลังมีความสุขเนี่ย <c oughs> อยากให้ความสุ ข, ขนี้อยู่นานๆ <c oughs> ไม่อยากให้โลกมันหมุนไป <c oughs> นําจะมีความทุกข์ซ่อนอยู่ <c oughs> ความทุกข์นั้นเกิดจากอะไร เกิดจากความคิดเกิดจากความคิดปรุงแต่งความสุขสูงสุดที่เราอยากได้คืออะไรท่านทราบหมทุกคนเหมือนกันคืออยากให้ได้ตามใจปรารถนาใช่ไหมเป็นความสุขสูงสุดที่เราอยากได้อยากได้ดังใจปรารถนาเหลือเกินอันนี้ข้อแรกข้อต่อมาเมื่อมันได้แล้วอยากควบคุมให้อยู่กับเรานาน อันนี้เป็นเรื่องของทางจิตจิตพิการนรั้นกันเพราะนั้นทางกายเราแก้ไขไปโดยอาศัยปัจจัยสี่มีโรคภัยก็เจ็บอาศัยคุณหมอแต่ทางจิตเนี่ยปัจจัยตีช่วยไม่ได้คุณหมอก็ช่วยไม่ได้อันนี้ต้องพึ่งพระธรรมธรรมโอสถช่วยจิตใจเราได้นี่ธรรมะเนี่ยมันมีมากมาย 8ปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เปรเสมอนยาทั้งตู้จำรักษาโลกเราเนี่ไมู่้หยิบยาขนาดไหนมีทั้งแก้ปวดท้องแก้ปวดหัวเจ็บไข้ได้ป่วยผดพืน่นคันเขามียาสารพัดอย่างในตู้นั้นเราจะเลือกยาชนิดไหนท่านบุปฟังมียาอยู่ขนาดหนึ่งครอบจักรวาลเลยหยิบมาใช้ได้ขวดเดียวรักษาได้ทุกโรค เขียนว่าสติสติเนี่เป็นยาครอบจักรวาลเลยยาดีทร้พผูเจ้าตัดว่าธรรมที่มีอุปการะมากคือสติสัมวัชญะและท่านยังผูกเป็นคำสุภาษิตได้ว่ารอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายชนิดใดๆก็ตามย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมด รอยเท้าช้างหรยอว่าเป็นยอดของรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยความใหญ่ฉันใดกุศลธรรมทั้งหลายไม่ไว่าชนิดใดก็ต่ า, ตามย่อมรวมลงในความไม่ประมาทได้ทั้งหมดประชุมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทเรียกว่าเป็นยอดของธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นความไม่ประมาทก็คือการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ ลมที่ยาขนาดเอกคือสติตัวเดียวสติทุกท่านมีอยู่แล้วทุกคนมีสติอยู่แล้วตามสัญญติยานสติหิวข้าวสติง่วงนอนสติกลัวภัยแม้กระทั่งเสพกลามยังมีสติแต่ว่ายังไม่พัฒนาเราต้องมาพัฒนาให้มันมากขึ้นมากขึ้นจึงจะใช้ประโยชน์แก้ปัญหาชีวิตเราได้สติเปรีเสมือนกันชนชีวิต เพราะอะไรชีวิตคนเราทุกวันเนี่ยถูกชนถูกชนด้วยอารมณ์ถูกชนด้วยความคิดการดูการฟังนี่อารมณ์มาชนแล้ ว, แ ล, วแล้วก็มารวมลงที่จิตใจเราทุกสุขอยู่ที่ใจเราบัดนันถ้าขาดสติแล้วก็ใจเราเนี่ยจะกระเจองกระเจิงไปกับอารมณ์ต่างๆที่ทํายังไงในการฝึกสติไม่ยากตอนนี้ก็ฝึกได้ ไม่ต้องไปที่วัดไม่ต้องไปที่ไหนก็ได้ทุกครั้งที่มีความรู้ตัวสติมันเกิดขึ้นแล้วขณะ น, นี้หลายท่านเกิดสติหลายท่านเกิดความฟุ้งซ่านบางท่านจิตเลื่อนลอยถ้าอนั่งอยู่ว่าเรารู้ตัวหลไรก็นั่งเนี่ยเกิดสติแล้วง่ายๆใกล้ๆตัวเราเลยการออกกำลังกาย การทําโยคะไทเก็ตออโรบิกเคลื่อนไหววิธีอะไรก็ตามเนี่ยอันนั้นคือการฝึกทางร่างกายกายต้องเคลื่อนไหวจึงจะมีกําลังแต่การออกกําลังจิตนั้นไม่ต้องเคลื่อนไหวแค่รู้ตัวเป็นการออกกําลังจิตจิตต้องสงบจิตจึงมีกําลังกายต้องเคลื่อนไหวกายจึงมีกําลังเห็นไหมต่างกันเลย การสงบของจิตนั ep, that, ้นไม่ต้องหลับตาไม่ต้องนั่งนิ่งแค่รู้ตัวใจมันก็สงบแล้วเป็นการสงบแบบรู้ตัวเพราะนั้นในฐาที่เราต้องอยู่ในสังคมต้องใช้ชีวิตตามปกติไม่ค่อยมีเวลาจะไปฝึกสติตามวัดตามที่ต่างๆเราสามารถฝึกได้ในชีวิตปัจจุบันกับการทำงานยกตัวอย่างการเดิน เดินไปไหนก็ตามเนี่ยถ้าเรามีความรู้ตัวเนี่ยเมื่อเรากำลังเดินอยู่เราก็ปึกติแล้วเพียงแต่ว่าเราขอให้ทำกันตอนอ่อเนื่องนานๆสักหน่อ ย, ยการทานข้าวการดื่มการแปลงฟันการแต่งหน้แต่งตัวพยายามเติมสติลงไปเป็นการภาวนาแล้วอย่าง น, นก็คือการขับรถมีสติก่อนสตาร์ทนี่ยสำคัญมาก ขณะขับรถเนี่ยถ้าเรารู้ตัวอยู่ว่าเรากำลังขับรถเนี่ยอันนี้ฝึกสติแล้ว<ม>การโทรศัพท์เรารู้ไหมว่าเราโทรศัพท์แบบขาดความรู้สึกตัว <c oughs> พอเราโทรศัพท์ปั๊บพูดไปเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวไปกับเรื่องราวที่พูดเลยอันนี้ขาดสติแล้วนะวิธีการใช้มีสติในขณะโทรศัพท์นี้เราต้องรู้ด้วยว่าเรากําลังโทรศัพท์อยู่ รู้ว่าเรากําลังโทรศัพท์อยู่อย่ารู้แต่เรื่องราวอย่างเดียวรู้ว่าเรากําลังโทรศัพท์อยู่มีตัวกําลังโทรศัพท์อยู่เวลาดูทีวีใช่หไหมหมดเนื้อหมดตัวไปกับเรื่องราวของทีวี ส, สนทนหหหาหัวเราะเฮฮาไปกับทีวีไม่ได้ดูทีวีไปเป็นทีวีไปเป็นกับละครบางทีเป็นผู้วำกับด้วยตัวนั้นไม่ชอบตัวนี้ชอบตันั้นออกไมกแ่แล้วตัวนี้หน้าเบื่อหน้าคนนี้เนี่ย ถ้าเรามีความรู้ตัวว่าเรากำลังดูทีวีอยู่เห็นไหมเรานั่งอยู่ตรงนี้ทีวีตรงโน้นแล้วก็รู้ตัวเวลามันมีความสุขสุขสขนา น, านก็รู้ว่าอ๋อนี่มันสนุกมันมีความสุขให้รู้เท่าทันในอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วด้วยดูทีวีอย่าลืมดูใจฟังวิทยุฟังข่าวบมดเนื้อหมดตัวไปกับข่าวหรือเปล่าปล่อยใจไปกับข่าวลืมรู้ว่าเรากําลังฟังข่าวอ่านหนังสือพิม์ก็เหมือนกัน มีผู้อ่านและก็มีหนังสือพิมพ์ที่ถูกอ่านเราจะรู้เรื่องราวอย่างรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันเราสามารถฝึกได้เลยทำอยู่างนี้แหละทำบ่อยๆเข้าเนี่ยมันมีผลเก็บเล็กผสมน้อยเนี่ยทำให้สติมันมากขึ้นมากขึ้นเป็นไปเองโดยธรรมชาติอันนี้ไม่ถึงทำนอกรูปแบบเป็นการฝึกใจไปกับการทำงานแล้วยิ่งคนที่ทำงานเนี่ย ถ้ามีสติอยู่กับการทำงานเนี่ยการงานจะไม่ค่อยปิดพลาดรู้อยู่กับการทำงานให้มีสติอยู่กับแดนงานของเราเนี่ยกาลังทำอะไรอยู่เนี่ยบางคนทำงานอยู่ใจเลื่อนลอยอันนี้ขาสติเหมือนเราไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่ถ้าเรามีสติเท่ากับเรามีชีวิตอยู่สังเกตดูนะเนี่ยเรานั่งอยู่ตอนนี้ถ้าเราปล่อยใจเลื่อนลอยเนี่ยเหมือนเราไม่มีชีวิตนะแต่ถ้ารู้ว่าเรากาลังฟังอยู่เนี่ยมันเกิด การมีชีวิตอยู่อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกกันบ่อยๆงานบางอย่างมันรีบคนมีสติก็รีบได้นะรีบได้บางครั้งต้องรีบอเดินข้ามถนนเนี่ยโอจะเดินช้าๆหนอเนี่ไม่ได้หรอกถึงข่าวเร็วก็ต้องเร็วแต่ว่าคนขาดสตินี่มันรีบรีบร้อนแต่คนมีสติได้รีบแต่รีบเย็นรีบอยู่ข้างนอกแต่ใจเย็นอยู่ข้างใน ผนขาดสติรีบข้างนอกแต่ใจก็ร้อนรีบได้รีบเย็นงานไม่ค่อยปิดพลาดแล้วก็ไม่เครียดอยู่กับการทำงานงานจะไม่เครียดมีแต่ความผ่อนคลายแต่เครียดกับงานนี่ไม่เท่าไหร่เท่ากับเครียดกับเพื่อร่วมงานเนี่ยโอ้เพื่อร่วมงานทำให้เราเครียดมากสังเกตดูนะแล้วถ้าเรามีสติได้จะควบคุมจิตใจควบคุมอารมณ์เราได้ รักษาใจเราไม่ให้เป็นทุกข์ได้สังเกตดูอย่างหนึ่งว่าเราจะพบปะใครก็ตามจะมีคนอยู่สามประเภทที่สัมผัสกับเราดูตัวเราเถอะคนข้างตัวเราเนี่ยบางคนเนี่ยชอบเราบางคนไม่ชอบเราบางคนเฉยๆเป็นอย่างนั้นไหมมีสามประเภทเบางคนชอบเรา ก็สรรเสริญเยีนรยอพูดจาดีบางคนไม่ชอบเราใบหน้าเครียดกูบีบางคนเฉยเฉยแล้วใจเราเป็นยังไงถ้ากระทบกับบุคคลสาประเภทคนที่ชอบเราเราก็โอ้ชอบใจเข้าไปด้วยคนที่ไม่ชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาอีกคนเฉยเฉยเราก็ไม่ชอบเพราะว่าทําไมเฉยกับเราไงอันนี้แต่เรียกว่าขาดสติเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติใหมใหม่คนไหนที่ชอบเราสรรเสริญเราเราก็เออ ปกติรับฟังแล้วก็ปกติคนที่ไม่ชอบเราก็ถูกของเขาเราก็ต้องเฉยเฉยอย่าไปไม่ชอบเขาด้วยใจเราจะเสียคนที่เฉยเฉยกับเราก็ถูกของเขาดีแล้วเฉยเฉยกับเราไม่เป็นไรเป็นการรักษาใจเราให้เป็นปกติไว้เพราะนั้นสุขภาพจิตจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องรู้จักเท่าทันจิตใจเราปัญหาบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องแก้ข้างนอกก็ได้ ไม่ต้องแก้เข้ามาชอบเราแก้ที่ใจเราแก้ใจที่มีปัญหาเนี่ยมันมีประโยชน์กว่าบางทีแก้ใจที่มีปัญหาได้เนี่ยยอมรับสภาพตามที่มันเป็นจริงบางทีไม่ต้องแก้ไขข้างนอกเลยนะก็จะชอบเราไม่ชอบเามเรื่องของเขาเราเป็นปกติเข้าไว้เนี่ยอันนี้ถูกที่สุดเลยแก้ใจเราก่อนบางทีข้างนอกไม่ต้องแก้ไขแล้วแก้ได้ทันทีเลยโดยการยอมรับสภาพ ทำใช้เป็นปกติเข้าไปเพราะนั้นคนที่มีสติอยู่เสมอๆปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยจะไม่ใช่เป็นคนแบกโลกจะรู้ถันโลกจะดูโลกสติที่เราสร้างมากๆขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นผู้ดูนะแต่ตอนนี้เราเข้าไปเป็นกับโลกเวลาจิตใจเราเกิดความรักโกรธเกลียดกลัวแล้วก็เข้าไปเป็นผู้รักผู้โกรธผู้เกลียดผูก้กลัวเลยแบกโลกเลย หมดเนื้อหมดตัวนะั่เป็นทุกข์นะแต่พอเรามาฝึกจิตฝึกใจเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะมันจะดูโลกจะดูความโกรธความเกลียดความโกรธในจิตใจเราไม่เข้าไปแบกโลกกิเลสบางอย่างเนี่ยเขาส่งมุกมาให้เราเราก็รับมุกเคยดูหนังตลกไหมไอ้พวกตัวตลกเนี่ยเขาหาเรื่องเอามุกมาแสดงแล้วก็หัวเราะชอบใจเรารับมุกตลกนะ แต่ถ้าใครดูตลกแล้วเฉยๆปกติเนี่ยหักมุกตลกเลยต้อเราหักหักมุกกิเลสหักมุกความคิดเราบ้างบางทีมันโกรธใจเรามันโกรธนะทุกคนต้องโกรธถ้าไม่ใช่พระระยะแต่เราลองไม่โกรธตามดูบ้างเลยหักมุกกิเลสเราไปรับมุกโกรธตอบเนี่ยเราก็เสียสุขภาพจิตหมดหักมุกมันหมดวันเลาะยอความโกรธมาหักมุกมันเลยเนี่ยทาให้จิตเราดีนะเนี่ยคือคนที่ไม่แบกโลก เมื่อจิตดีกายมันก็ดีอ่ะจิตดีมันกายมันก็ดีมีบางอย่างที่หากว่าเราสามารถปรับปรุงจิตใจเราได้โดยการที่องทำประโยชน์ทำประโยชน์ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมเนี่ยมันจะมีกําลังใจมันจะเห็นคุณค่าในชีวิตเราทำแบบไม่เอาผลนะคนเรานี้จะมีแต่ค่าตัวนะ ทำงานต้องมีเงินเดือนมีค่าตัวธรรมดาแต่ถ้าเราทําแบบไม่เอาเงินเดือนบ้างเนี่ยทําให้ตัวมีค่าเลยแล้วมันมีความสุขนะเลิกตัดค่าตัวเอาตัวมีค่าบ้างคือไม่ต้องเอาเงินตะพุตตพื้นในส่วนที่ช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเหลือไปทําให้ตัวมีค่าแล้วตัวเรามันจะรู้สึกว่าจะมีคุณค่าอาการซึมเศร้าในจิตใจจะไม่เกิดขึ้นเลย มันจะไม่เกิดความสึมทศ้าในจิตใจผมเองนี่แต่ก่อนมันคิดมากแล้วเครียดมากแต่พอมีงานทางจิตทำเนี่ยไอ้ความคิดความเครียดยมันหายไปมันอยู่กับการทํางานให้ตัวเรามันยุ่งเข้าไว้ยุ่งกับการเจริตตติเนี่ยบุ่นอยู่ในธรรมเนี่ยใจมันก็สบายแล้วพอมาทําประโยชน์แบบเนี้ยมาเผยแผ่ธรรมะให้กำลังใจคนโน้กคนนี้แล้วในตัวเรามีค่านอนอยู่เฉยทีไม่มีค่าอะไร แต่ถ้าทำประโยชน์แล้วมันมีค่ามันมีความสุขแล้วจิตใจมันดีร่างกายมันก็ดีไปด้วยใจดีร่างกายมันก็ดีนะเนี่ยสองอย่างเนี่ยกายกับจิตเนี่ยแต่ถ้าร่างกายไม่ดีเนี่ยถ้าใจมันดีเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรนะมันก็ยังมีความสุขอยู่โรคบางอย่างที่คุณหมอรักษาไม่หายแต่ถ้าสามารถรักษาใจได้โดยธรรมะแล้วก็ โรคจากหนักกลายเป็นเบาจากเบาเป็นหายแม้ว่าโรคไม่หายใจมันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะไม่ยึดมั่นถึงมั่นในร่างกายแต่ถ้าว่าใครสามารถทําให้กายดีด้วยใจดีด้วยชีวิตมันก็สมบูรณ์ชีวิตจะสมบูรณ์นั้นต้องมีกายแล้วก็มีใจควบคู่กันไปเพราะนั้นผมเองนี่ก็ได้พิสูจน์มาแล้วว่าการเจริญสติการเจรเจิญภาวนานเนี่ย ทำให้สุขภาพจิตนี่ดีก่อนและต่อมาสุขภาพกายก็ดีตาม